สวิปากติกะ 3. ปัจเจยวาล 1. ปัจจยาาีนจจยนุโลม 1. วิพังขวาลเหตุปัจจัย58สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันทำขั้นสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขั้นสองทำขั้นสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ติดตะมุทานรูปทำขันที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ กตาตาลูกทำขันที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสอง และจิตแตสมุทฐานในรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แกขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำสภาวธรรมที 3, the the like ่เป no ็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สและจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์สองและจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 จิตตสมัมปทานรูปและกตัตารูปรที่เป็นอุปาทายรูปธรรมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากทมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยได้แก่ ขันที่เป็นวิบากทำ h ห t h a y วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่เป <aya> ็นวิบากทำ Hathay วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำ h ห t h a y วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำขั้นหนึ่งที่เป็นวิบากและธหัตถ a ยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขั้นสองทำขันสองและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิณธ muita, ขณะขันสา ม, ท, สาม ท, ทําขั้นหนึ่งที่เป็นวิบากและทำะหัตถ a วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขั้นสองทําขันสองและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบาก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 ละหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะมุทฐานอรูปทำขันที่เป็นวิบากและธรรมหาภูตอรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองละหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกตาตารูปทำขันที่เป็นวิบากและธรรมหาภูตอรูป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 ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวระธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสองและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น จิตตามุฏฐานารูปทำขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารัมมณัจจัย61สสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ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 เพราะอารมามณปัจจัยได้ uh แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทําทายวัตถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากทําสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมามณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สรคตได้จักกูวิญญาณ และทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและจักระยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโสตะคานาชิวหากายขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ในวงเล็บอธิปฏิปฏัจจัยไม่มีในปฏิสนธิขณะธรรมสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปฏัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูป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 ได้แก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทําทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิบากทําทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทรมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากและทำหัตวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองหัตวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 ไม่เป็นเหตุให้เกิดว e eh uh, ิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานใรูปทำขันที่เป็นวิบากและธรรมหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น64สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 อนันตรปัจจ <right> er ัยและสมานันตระปัจจัยหกสหสภาวธรรมที่เป็นวิบากทําสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมานันตระปัจจัยในวงเล็ดปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยอัญญมัญญปัจจัย66เพราะสหชาติปัจจัยและเพราะอัญญมัญญาปัจจัยได้แก่ขันธ์สาม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 ได้แก่ในปฏิสนธิขณะหัตถ a วัตถุทำให้ขันธ์ที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากแต่ที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทําสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและหัตถ a วัตถุธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและ ขั้นสอง้าไทยวัตถุทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทําสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญาปัจจัยได้แก่ขั้นสามทำขั้นหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขั้นสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรม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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่จะขูวิญญาณทำจักขา ย, ตจจยข า, ยญญ า, า, ยายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็ น, เ慢慢นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่สรคตด้ิจคูวิญญาณและทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโสตคานะชิวหากายละขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและธรำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ ขั้นสองทำขั้นสองและหัดยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทำหัไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขั้นสองทำขันสองและหัไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและแท้ไม่ที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญาปัจจัยไต่แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำหะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นลขันสองทำขันสองหละหะทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนิสัยปัจจัย6กสแดสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนิสยปัจจัย ในวงเล็ปัจจัยนี้เหมือนกับสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย69เพราะอุปนิสัยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัตถ์วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัย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 แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและทำหัตายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหัายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหัายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกรรมมปัจจัยเจสภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมมปัจจัย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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได also, ้แก่มหาภูตารูปสามามหาภูตารูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละมหาภูตารูปสองทำมหาภูตารูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทามหาภูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่เป็นวิบากและสภาวธรรมทั้งสอง มีสามวาระธรมสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสามวาระอาหารปัจจัยเป็นต้นเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรียปัจจัยเพราะชาณะปัจจัยเพราะ ม, จจะมรรคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัย เพราะอธิปัจจัยเพราะนัตถิปัจจัยเพราะวิคตปัจจัยเพราะอาวิคตปัจจัยหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวานสุทธไนเจสิบสาเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารามณะปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระ สมานันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสัยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระภูเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวนปัจจัยมีสี่วาระกามปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ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 อวิคตาปัจจัยมีสิเจ็ดวาระเหตุทุกข์กในเจ็อารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระละอวิคตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระในมงเล็บพึงนับเหมือนการนับในกุศลติกะอนุโลมจบ2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 เป็นเหตุ <của> uchen, ุ Thailand, AH so no. ุกุรทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตาตมุทฐานารูปทำมหาปูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะซึ่งเป็นเหตุกะละ76สภาวธรรมที่เป็นวิบากทำสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 แที่สหรครตด้วยอุทะจะทำขันที่สหรครตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรครตด้วยอุทะจะและทำหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนารามณปัจจัยเจเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทําสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ พึงขยายทุบทให้พิสดาร 2. ปัจจยปัจจเนยะสสังขยาวานสุทธนัย78ในเหตุปัจจัยมีสิองวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระณอนันตรัจจัยมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยมีห้าวาระ นาอัญญามัญญะปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิจญยนะปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจวาระนาอาเสวนปัจจัยมีสิเจดวาระนากรรมมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมี9้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจใจมีสี่วาระนามะขาปัจจัยมี9้าวาระนาสามปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตาปัจจัยมีห้าวาระนาเหตุทุกข์กันในเจ็ดส นาอารามณปัจัยกับนาเหตุปัจัยมีสาวาระนาทิปติปัจัยกับนาเหตุปัจัยมีสิบสองวาระนาอนันตระปัจัยกับนาเหตุปัจัยมีสามวาระนาสมาันตรปัจัยกับนาเหตุปัจัยมีสามวาระละนากรรมมปัจัยกับนาเหตุปัจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากปัจัยกับนาเหตุปัจใจมีสี่วาระ นอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชานปัจจัยกับนเหตุุปัจใจมีสี่วาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนาสามปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสวาระนวิปปยุตตะปัจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสองวาระ โนนิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในมวงแล็บพึงนับเหมือนการนับปัจจนียะในกุศลติกะปัจจนียะจบสปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุตุทุกไนแปดสนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระ นอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17ดวาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพิงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนิยะในกุศลติกะอนุโลมปัจจนิยะจบสีปัจจัยปัจจานิยานุโลมนเหตุทุกไนแปดสอด อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจวาระสมาันตระปัจจัยกับนาเหตุุปัจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมี12วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระนิสียปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี12บวาระ อุปนิสตยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีเจดวาระอุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีเจวาระอาเสวณปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสี่วาระกัมมปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมี12วาระวิปากปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสิบสอวาระ อินทรียาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี12วาระชานาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี12วาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี12วาระอธิปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมี12วาระนาทิปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีเจวาระ วิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจวาระอวิคตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบสอวาระติกไนชาชาตปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสองวาระละอวิคตาตปาจัย กับนเหตุปัจจัยและวนะอารมณปัจจัยมีสาวาระในวงเล็บเพิ่งนับเหมือนการนับปัจจนิยานุโลมในกุศลติกะปัจจนิยานุโลมจบปัจจยาวา a จบสามวิปากติกะสี่นิสยาวา a หนึ่งถึงสี่ปัจจยจตุกไนแปตสิบสอง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 กับเหตุปัจจัยมี5วาระละนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจวาระละอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระนิสียวานจบ 3. วิปากติกะห สังสัตถวาล 1. ปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาลเหตุปัจจัย83 ส, ส, สภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากในมืเล็บย่อพึงขยายทุกบทให้พิสดาร หปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนแปดสิบสีเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสาวาระสมาันตรปัจจัยมีสาวาระสหชาตปัจจัยมีสาวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระ นิสัยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกัมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระในมุงเด็บย่อพึงนับเหมือนการนับในกุตตรติกะอนุโลมจบ 2. ปัจจะยปัจจนียะ สสังขยาวานแปหนเหตุปัจจัยมีสามวาระนาะทิปติปัจจัยมีสามวาระนะปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระณนะอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนะกรรมปัจจัยมีสองวาระนะวิปากาปัจจัยมีสองวาระ นาชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนาะมัคคัจัจัยมีสองวาระนะวิปยุตตาปั จ, จัยมีสามวาระในเร็ลพึงนับเหมือนการนับปัจจนิยะในกุรลติกะปัจจนิยะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนิย 87, นะ7หน้าที่ปฏิปั จ, จัจกับเนะ แปดณอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละนวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนญญาในกุสลติกะอนุโลมปัจจนญญาจบ4ปัจจยะปัจจนญญาอนุโลมแ8ด อารามณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บพึงนับเหมือนการนับปัจ จ, น, น, จ, จนิยานุโลมในกุรลติกะปัจจนิยานุโลมจบสังสัทธวานจบ สวิปากติกะ 6. สัมปยุตตวาน1นถึงสปัจจยะจตุกันัย89สภาวธรรมที่เป็นวิบากสัมปยุตกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามสัมปยุตตะขันหนึ่งสัมปยุตกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละ เหตุปัจจัยมีสามวาระละนเหตุปัจจัยมีสามวาระละนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละอารมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสามวาระละสัมปยุตตะวานจบ